ท่านผู้ที่เคารพค่ะท่านกำลังฟังรายการสังสมมนาสนทนาทางศาสนีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นรายการที่มีพระภิกษุสองรูปผ่านไปหนึ่งรูปคือพระมาชาคาวโรวัฒนาป่าพง์ลําลูกาคลองสิบตอนนี้ก็มาที่พระพยัยบุ์อภิปุญโญที่น้องฮานจังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนไฮโซค่ะน้อมสักการะทัานคะ่ะด้วยพรค่ะเรามาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวัจนะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ yeah. ทีนี้วันนี้ถามเป็นคำถามทางโลกก่อนได้ไหมคะได้ได้ได้คือมันมีข่าวอาจจะบางคนก็อาจจะไม่ทราบเพราะว่าเป็นข่าวเล็กๆอยู่แต่ที่ฉันเห็นว่ามันน่าที่จะเกิดประโยชน์ในการที่นำคำถามนี้มาถามไปสู่ธรรมะที่จะเป็นหลักคิดให้กับคนมหาเศรษฐีของโลกต mm hmm. ระกูลหนึ่งก็คือโอนิสสิม ถ้าคนเก่าๆนะจะคุ้นเลยนะคะแล้วก็ตระกูลนี้แหละรวยไม่รู้จะรวยอย่างไรแล้วก็เคยไปแต่งงานกับอดีตพันยาของประธานาธิบดีผู้โด่งดังของอเมริกา<อ>คือประธานาธิบดีเคเนดีไปแต่งงานกับภรรยาของเขาตอนที่ก็ถูกกินตายไปแล้วนะคะก็คือแจ็คกี้โอนาซิสคนในครอบครัวนั้นรวยผู้หญิงคนนี้ที่กําลังจะพูดถึงเป็นอดีตสปายอีกคนหนึ่ง<อ>แต่ไม่ใช่แจ็คเก็ลินนะคะเป็นอีกคนหนึ่งตอนนี้อายุเก้าสิบปีแล้ว เขาบอกว่าเมื่อก่อนรวยมากแต่ปัจจุบันเมื่ออายุเก้าสิบเนี่ยทุกยากมากขนาดที่ว่าต้องไปอาศัยเงินสวัสดิการของรัฐต้องไปอาศัยที่อื่นๆที่มันไม่สะดวกสบายอยู่แล้วก็สกปรกโรกรุงรังต้องไปขออาหารจากทางโบสถ์ของศาสนาเนี่ยนะคะรับประทานและมีอาชีพคุยขยะละท่านคะทำไมชีวิตมันสูงต่ำขนาดนั้น สูงต่ำชนิดที่ว่าคนที่เคยตกตามโอ้ยเอเคยเป็นตําแหน่งหลัก ม, มายอยู่ฝ่ายประจํานี่เป็นเรื่องเสพที่ผมไปเลยค่ะเอนี่เหมือนกับชีวิตรพระเลยนะคือพระเนี่ยแบบเป็นคารวาชใช่ไหมมีเงินมีใครเป็นข้ า, ารับบดีมาสารเป็นลูกเศรษฐีลูกคนรวยเนี่ยมีเต็มที่เลยนะพอมาบวชลูกคุณทำไรลูกคุณไปบินรบาตห่ผมผ้าปอนๆไม่มีชายวันทีก็อยู่สถานที่ที่เขาต้องจัดให้เลือกไม่ได้อีกแม่เหมือนชีวิตรพระเลยฟังแล้วมัน ทรับสึนเลยเนี่ยท่านคะแต่พระยิ่งดีนะคะเดินไปไหนไหว้ใช่หคะแต่ว่าพวกอย่างเงี้ยค่ะไปคุยขยะบางคนเขาอูยเนตัวส่งปรกขยงัค <ะ S 1> ขงค่ะก็มันมันเป็นเรื่องของมันมี ห, หลายๆปจัจจัยเราก็ไม่รู้ว่าเขามาเป็นตรงนี้ได้ยังไงนะก็มีเพื่อน<ส>ไม่ดีไหมเขาเล่นการพนันไหมเขาเป็นนักเลงสุราไหมเขาเป็นนักเลงการพนันหรือเปล่าค่ ะ, ะนั่มันมันพวกนี้จะเป็นทางเสื่อมแห่งประวัติศัสต ทรัพย์ที่เขามีอยู่เขารู้จักขวนคว้าหาเพิ่มไหมนะมีความเพียรไหมพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ให้ได้ทัพมาอันนี้ผู้เรียนชาเคยเปรียบกับบึงน้ําบึงหนึ่งถ้าผมว่ามีแต่ทางน้ําไหลออกเนี่ยรับรองว่าบึงน้ํานี้ก็ลดลงอย่างเดียวแต่ถ้าเราปิดทางออกไว้แล้วก็มีทางเข้าอยู่4ทางเนี่ยมีแต่น้ำเข้าฝนตกลงมาตามฤดูกาลน่าจะทําให้บึงนี้มีแต่ความเต็มขึ้นอย่างเดียวเราเห็นเรื่องนี้ในสังคมมาเยอะมากนะ แต่มาคิดว่ามีเยอะเลยคนที่จากรวยมาจนจนแล้วก็ไปรวยแล้วก็กลับมาจนอีกมีเยอะแยะเนาะคะ่ะซึ่งอันนี้ยเราจะต้องมาคอยเตือนตัวเองอะคุณยมติวิญญข่าวนี้เราต้องเตือนตัวเองเลยนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีในการเสพข่าวน ะ, ะว่าเราจะต้องคอยเตือนตัวเองว่าเออมันไม่เที่ยงมไม่แน่จริงนะคิดดูอยู่คอนโด เ, ออเป็นหลายๆ ล, ล้านร่ำรวยเป็นมาเศรษฐี <c oughs> ก็ต้องมากุ้ยขยะกินได้ ข้อที่หนึ่งคือเห็นความไม่เที่ยงแหละเรื่องเนี้ยช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดกับทุกคนแน่นอนคหมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่คุณจะตายไงตอนที่คุณจะตายเนี่ยไอ้ทรัพย์สินเงินทองน่ยมันจะเอาไปไม่ได้เลยนะอย่างสมมุติเดี๋ยวอย่างเรายัางมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคุณรวยเป็นหลายๆพันล้านจนเหลือมาแค่ต้องไปเก็บขยะ ก, กินเนี่ยไปคุยขยะ ก, กินเนี่ยตรงนี้คือเราสูญเสียหมดทุกอย่างใช่ไหมเช่นเดียวกันเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับคนตาย คนตายเนี่ยคุณจะตายเนี่ยคุณจะสูญเสียตรงนี้หมดทุกอย่างอาอกไปไม่ได้เลยอนี่ก็ด้วยอนะนี่ก็สูญเสียเหมือนกันนะนี่อเพราะฉะนั้นพอเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วเนี่ยควรทํำยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องตือนสติเรานะเตือนแล้วว่าเฮ้ยเ้คุณทําความดีได้แล้วคุณคุณขยันเถอะคุณอย่าเฉยใช้ออกนอกแนวนะคุณอย่าด่า ก, กันอย่าว่า ก, กันให้ตั้งใจทําความดีให้สามัคคีกันอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 2> แล้วพอเราเป็นอย่างนี้ได้นะไอ้ข่าวพวกเนี้ยจะเป็นเหมือนกับกลลัลยาณมิตรของเราที่ปรชาบอกว่าคุณมีอริยมรตมีองค์แปดเป็นเพื่อนใช่ไหม <Okay. S 2> พอเราเห็นข่าวนี้เนี่ยเรานึกถึงธรรมะในใจเราโอ้เราก็เตือนสติว่าเออฉันต้องขยันนะ อ, อทําความเพียร น, นะแกนั้นยังไม่พอต้องรู้จักให้ทานด้วยนะคนที่เขาไม่ดี อ, อต้อย่าต้อยกว่าเราก็มีช่วยเหลือสองกคระกันไป <Okay. S 2> ก็จะ <Okay. S 2> ค่อยๆดีขึ้นมา ก็อันนี้เป็นตัวแทนของหลักธรกธรมอแ้นเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสอยู่เสมอแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนบางคนเกิดขึ้นกับทุกคนก็คือความไม่เที่ยงใช่ไหมคะใช่ใชเพียงแต่เกิดในลักษณะต่างๆกันไปเท่านั้นเองก็จะแล้วอันนี้แล้วแต่กรรมที่แต่ละท่านแต่ละคนทํามาค่ะทีนี้<อ>ไม่เที่ยงในทางบวกโใช้ชีวิตมานานแล้วอยู่ดีดบ้านปลายชีวิตมัโอ้ยมันรุ่งเรืองเฟื่องฟู เงินไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนเลยเนี่ยแตฉันดูข่าวนะเขาปล้นบ้านผู้ใหญ่นะคะอออกมาเืองเจอเงินเัื่องก็บอกว่าเอาไปสองร้อยเนี่ยยังเหลืออยู่เป็นพันเนี่ยกุ้งใจเลยนะคะไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไงอืมนั่นนี่สีเหลวอย่างนี้ค่ะทีนี้คนพอไม่เที่ยงในทางเนี้ยสมมติสมมุติเอาว่าไม่เที่ยงในทางที่มันดีขึ้นดีเหลือเกินก็คือว่ามันก็คนมันเจริญขึ้นมันก็เป็นไปได้ มันก็เป็นสิ่งที่ที่ทำได้แต่ก็ไม่ควรสบายใจอย่างนั้นเลยคะ่ะอันนี้นเป็นเรื่องธรรมดาคุณยมติ๋วที่เราจะขึ้นได้ลงได้ชีวิตมันมีอย่างอารมณ์ของเราเนี่ยตอนเช้าก็อย่างหนึ่งตอนเที่ยงก็เดี๋ยวมันไปผนเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะสมมติตอนเช้าเราตื่นมาสบายใจสบายใจขับรถออกมาหน้าบ้านเจอมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าตูม้มมันมันไปถึงที่ทํางานมันก็แย่เลยนะอารมณ์แบบเหวี่ยงมากเชาก้ากลางวันเย็นมันไปได้อย่างนี้ชีวิตเราเหมือนกันเป นะเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราประมาทเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นสูงลงต่ําอย่างนี้ทีนี้คนที่ขึ้นสูงได้เนี่ยมันจะต้องดูเหตุปัจจัยด้วยว่าเขาทํำยังไงแตว่าเขาทําสิ่งที่ดีไหมทําสิ่งที่ถูกต้องํานองกรองทํำไหมถ้าทําอันนี้ก็จะเป็นความดีที่ยั่งยืนอะ่ะอย่างสมมุติคนที่ฆ่าคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดอย่างเงี้ยนะใช่เขาเอาตัวรอดในปัจจุบันได้แต่ว่าการฆ่าคนเนี่ยก็จะทําให้ ตัวเองมีชีวิตสั้นถ้าทําบ่อยๆน ะ, ค, ะคือทําบ่อยๆเนี่ยไปในรถกระเบิดกระชานไปวิสัยแน่ละแต่ถ้าไม่ไปชีวิตนั้นเขาก็จะอายุสั้นนะหรือขโมยของคนอื่นอย่างเงี้ยช่อโกงขโมยของเนี่ยก็รวยสักพักหนึ่งใช่แต่ว่าจะเป็นไปเพื่อการเสียทรัพย์จะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ดีอย่างอื่นด้วยก็ต้องค่อยๆดูกันไปค่ะในในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีเกณฑ์ในการทํา คือพระพุทเจ้าจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเออคุณต้องประกอบอาชีพนี้นะถึงจะรวยหรือคุณอย่าประกอบอาชีพ น, ะนั้นนะั้นเดี๋ยวคุณจะจนก็แค่วางเป็นเข า, าเรียกว่าเกณฑ์ธรรมดากว้างๆใช่ไหมอ๋อเช่นเล่นการพนันไม่ดีอย่าทำค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษพวกนี้ไม่ควรทำํำเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าห้ามทำนะคือไม่ควรทําแล้วก็แล้วทําอะไรล่ะ ก็ทําอะไรก็ได้ข้าราชการก็ได้ศิลปะการใช้มือก็ได้ศิลปะในการหากินเลี้ยงโคทํากสิกรรมพวกนี้บอกหมดแต่ว่าทำเนี่ยก็ทําอย่างมีความเพียรแล้วกันแล้วก็เกณฑ์นในการดําเนินชีวิตก็เอาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาศีลในทางกายวาจาก็เอาเรื่องศีลถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีโคพคาซับศีลเป็นไปเพื่อโคพคาซั์ใช่ไหมศีลเป็นไปเพื่อสวรรค์ศีลเป็นไปเพื่อ น, นิพพานคะ รับศีลกันแต่ละครั้งพระก็จะบอกเหมือนกันนะคะใช่แต่บางทีมันดิฉันเรีรู้ตอนโตนะครับไม่ต้องกลับเรียนท่านเลยนะครับว่าตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาไปวัดหรือว่าไปร่วมงานพิธีโดยอัตโนมัติเราท่องได้เวลาพระให้ศีลออแล้วเรารับศีลแต่หาได้เข้าใจไม่จนมาศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะตอนที่มาศึกษาพุทโธจนะเนี่ยอ๋อดึงรู้ว่า พระบอกว่ามีศีลแล้วจะยังไงนะคะท่านเมื่อกี้ที่ท่านพูดค่ะศีเลนนะสุกติงยันติแปลได้ไหมศีเลนะโพคสัมปทาศีเลนนะนิพุติงยันตินั่นคือศีลเป็นไปเพื่อความสุขศีลเป็นไปเพื่อโพคสัพย์แล้วก็ศีลเป็นไปเพื่อนิพพานค่ะตอนสุขตอนโภคสัพย์อะไรพอว่าพอมาสุดท้ายเนะะี่ยค่ะอะไรนะคะศีเลนนะนิ<ส>พุติงยันตินิพุติงยันติเราบอกเอ๊ะทั้งติทัานติงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อะไรกันค่ะ <laughs> ในเรื่องของการให้ศีนเนี่ยนะแล้มาก็มอว่ามันเป็นประเพณีของคนไทยอะเนาะว่าจะต้องมีการให้ศีนอย่างเมื่อวันก่อนแนละ้วมาเป็นงานศพในในบ้านดานไหนโศกอ ะ, ะมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นโยมวัดนี่แหละเขาเสียก็เลยหลวงพ่อก็เลยให้เกณฑ์พระไปไปงานศพกันปรากฏว่าวันเดียวคุณโยมติวจะต้องมารอรับให้ศีนกันสามรอบ เช้าฉันข้าวในบ้านรอบหนึ่งกลางวันไปงานเผาอีกรอบหนึ่งตอนเย็นมาสวดมนต์ที่บ้านอีกรอบหนึ่งสามรอบนะรอให้ศีล<ะ>โก็ทําไมวันหนึ่งให้เยอะจังอะแกศีน่าเหมือนกันเนี่ยแล้วก็วิสุงวิสุงรัตนาถายาอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันอยู่ตลอด<ะ>ก็เลย ว, วิสุงวิสุงนีแ่แปลว่าอะไรนะค่ะตั้งอันนี้ธรรมาไม่ทราบเลย ค, <ะ>คือคือหมายความว่ามันก็จะเป็นเรื่องยาวไปอีกเรื่องหนึ่งกันนะประเด็นคือตรงนี้ว่าศีลเนี่ยคือความตั้งใจความตั้งใจในการที่เราจะ ทำอย่างเนี้ยเป็นปกติเนี่ยปกติคือมีจิตที่จะตั้งใจทําอย่างนี้แค่นั้นเองเพรานถ้าเราตั้งใจทําแล้วไม่ต้องมีคนมาบอกยังไงก็ได้มันก็ได้ทั้งนั้นเ <c oughs> ดีๆๆ๋ยวกำลังจะถามเลยว่าเอ้ถ้าพระไม่บอกให้เนี่ยเอามาใช้เลยได้หรือเปล่าอืมก็ตรงนี้ไงเป็นประเด็นที่ว่าถามว่าคุณรู้แล้วมะน่ะคุณรู้ที่พระพุทธาบัญญัติไหมถ้าคุณรู้คุณก็ตั้งใจทําได้เลยคือประเด็นที่ต้องให้ศีลให้ศีลเนี่ยคือกรณีของคนที่ไม่รู้เยอย่างเช่นว่าถ้าเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ย ไปประเทศใดประเทศหนึ่งที่เขาไม่เคยมีคําสั่ของพระพุทธเจ้านะว่าให้คุณมีศีลอะไรศีลอขาก็มีปกติทําจิตอย่างนี้เอาแล้วทำยังไงเขาก็เนี่ยนี่ไงทําจิตอย่าไปฆ่าเขาให้ตั้งจิตในในการที่จะไม่ฆ่าเอาเล่าไงอีกอขาก็ตั้งจิตไม่ในการที่จะไม่ถือเอาทรัพย์อันเของไม่ได้ให้อ๋อเหรอมีแค่นั้นหรือเปล่าไม่ยังมีอีกนะให้ตั้งจิตในการที่จะไม่ทําผิดประพฤติผิดในกามก็ต่อไปต่อไปนะ เพราะนั้นการที่เราบอกแล้วเขาทบทวนเป็นการที่เขาที่จะให้เขาจำได้แล้วก็ถือปฏิบัติตามนั้นได้ถูกต้องแค่นั้นเองแต่ฉันอันนี้พูดแบบประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็คิดว่าคนไทยชาวพุทธส่วนใหญ่เวลาไปร่วมพิธีกรรมซึ่งบันทีไปตามมารยาทสังค ม, ม, มนะคะแล้วก็พอไปมาตอนรับศีลก็รับนะคะ เสมอว่ารับแล้วก็รับจบกันเพราะอาจจะเป็นวันหนึ่งรับหลายครั้งยิ่งจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยที่หรือเป็นคนที่สังคมเยอะได้รับเชิญไปหลายงานแต่จริ ง, รงๆแล้วศีลนี่รับเป็นเวลาได้ไหมคะท่านพูดถึงอ่ะเช้าถึงเที่ยงจะถือไว้พอเที่ยงเดี๋ยวจะไปทาผิดศีลสักหน่อย ก็ต้องไปคุยธุรกิจเดี๋ยวต้องโกหกสักนิดเดี๋ยวตอนเย็นต้องไปนั่งกินข้าวกับกิ๊กเอาสักหน่อยศีลข้อสามแล้วเดี๋ยวกลางคืนจะนับต่อจะรับต่อคุณศีลเนี่ยเราต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ดีทีเดียวที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าศีลคือความเป็นปกติกุญยมติวเป็นปกติศีลพูดอีกทีคือความเป็นปก ต, ปปกติถ้าคุณไม่ได้ทําเป็นปกติคุณไม่มีศีลเช่นนักโทษอยู่ในเรือนจํา คุณคิดจะลักอยู่ตลอดเวลาแต่ของไม่หายนะของไม่หายแต่ถ้ามีโอกาสปุ๊บมันลักทันดีตั้งแต่ตอนที่ของยังไม่หายเนี่ยเขาก็ไม่มีสีแล้วนะเพราะเขามีจิตคิดจะลักอยู่เป็นปกติเขาไม่ได้มีจิตเว้นขาดจากการถืออ้อซับนั้นอย่างปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างปกติอะสมมติในวันหนึ่ง24ชั่วโมงคุณตั้งจิตปกติที่จะไม่ฆ่าอยู่เรื่อยๆไหมหรือว่ามีจิตคิดฆ่าอยู่นิดๆ ถ้า ง, งั้นแสดงว่าคุณก็ยังทรงความเป็นปกติของชีวิตคุณได้อธิบายกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังอย่างชาวบ้านบ้านหนองเต่าบ้านดอนไหโศกที่เขาอาชีพทํานาและคุณยมติยวมีสุภาพบุรุษเป็นอุบาสกท่านหนึ่งมาทํางานที่วัดเนี่ยเขาก็มีอาชีพทํานาแล้วก็จิตเขาเนี่ยคือเขาเห็นเขียดนี่นะคือเห็นไ อ, ไ, อไอ้ตัวกิ้งกาดที่มันวิ่งตามตามตามท้องถนนเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปเอามันมาทันที mm hmm. เอาไปเอามาทมาทำอะไรมากิน คือจิตเขาจะคิดแต่หาพวกนี้มากิน เ, เดี๋ยวตอนคืนเดี๋ยวใส่สีกระบอกไฟฉายออกไปละเอาไปทําอะไรไปหาเขียดมากินอย่างเงี้ยคือเ้าจิตเขาจะมีความคิดในเรื่องที่จะฆ่าหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เรื่อยๆนี่จ ต, ตัวอย่างอย่างคนมีกิ๊กอ่ะคนมีกิ๊กเนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องที่จะมีความซื่อสัตย์เนี่ยอยู่ตลอดเป็นปกติหรอกนะมันจะคิดถึงกิ๊กอยู่เรื่อยๆ แสดงว่าถ้าคุณคิดถึงกิ๊กอยู่เป็นปกติคุณไม่มีสีนข้อสามแล้วโกโหกก็เหมือนกันนะคือทำเป็นปกติไหมถ้าคุณทำเป็นปกติโอเคคุณมีสีนคุณทำอย่าให้มันด่างก็แล้วกันอย่าให้แปดเปื้อนนะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนิดนิหน่อยๆน่อยค่อยแก้ไขไปทำให้ดีขึ้นดีขึ้นหรอกเพราะนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งก็อาจจะบอกว่าบางคนก็อ จ, จะบอกว่าก็มันมันสติมันตามไม่ทันอ่ะ อ, อ๋อก็ฝึกไงฝึกสติใ น, นในบางช่วงเวลาจะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขนาดที่แบบว่าเลวร้ายเลยขอให้รู้ไว้ว่าถ้าทําให้เป็นปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เต็มที่อย่างที่หวังถูกไหมคะมันจะด่างนิดนิดด่างๆแต่ไม่ถึงกระทลุยังไม่ขาดอาจจะทะลุอยู่แต่ไม่ขาดค่ะเอ่องั้นถ้าจะว่าไปในส่วนที่สนทนากับท่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็คือจะบอกว่าศีลน่ะถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไร ไม่ต้องไปคอยให้ใครให้ก็สามารถที่จะรักษาความเป็นปกติกันไว้ได้เลยใช่เป็นความตั้งใจของเราค่ะและขอให้รู้ว่าอาจจะพบว่ามีการให้บ่อยก็ไม่ได้หมายความว่าพ้นหน้าพระสงค์แล้วเป็นอันว่าละวางได้คือวัดกันที่ความเป็นปกติของคุณ ะ, ะเป็นประจำไหมเป็นเรื่อยๆไหมค่ะแลวถ้าสมมติว่า มันผิดพลาดไปแล้วก็ทำใหมให้มันดีขึ้นได้แก้ไขซะนะคะค่ะมีเป็นเรื่องของศีลเพราะว่าผิดน้อยไม่เป็นไรถ้าทําผิดบ่อยๆมันเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยจะว่าผิดน้อยไม่เป็นไรนี่ดิฉันพูดถูกไหมคะเอ่อก็ค่อยแก้เอานะคือมันพลาดได้เหมือนกันนะคือทํำน้อยๆแต่ว่าบางทีอาจจะไปนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรวิสัยก็มีบางเคสแล้วก็ค่อยแก้เอาอย่าประมาทก็แล้วกัน ค่ะแต่อย่างเบาๆเนี่ยเดฉันเห็นวิบากอย่างเบาเนี่ยเราคิดกันเป็นแบบเหตุผลได้เลยนะคะว่าถ้าไปรักขโมยเขาผลมันจะเกิดอะไรใช่ๆค่ะเนาะวันนี้ก็นรปส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญพานท่านังที่ครบค่ะส่วนใหญ่แล้วจะพยายามให้เรื่องที่ ได้เรียนสนทนาพระอาจารย์นั้นสามารถนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ จ, จริงๆแล้วทุกเรื่องเลยนะคะที่ฉันเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมันคือชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละขอให้รู้คุณค่าแล้วก็นำมาปฏิบัติก็แล้วกันผู้ทัวจนาค่ะท่านสามารถจะขอหนังสือได้ในรายการนี้นะคะ022690006ในขณะเดียวกับที่ใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์2 022690006 น, น, นะคะในการจะถามคาถาม ในรายการก็ได้ส่วนท่านที่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ก็ส่งไปเลยนะคะ www. p e ียว h ร m a .com/106 แล้วเราจะนำเอามาต่อกันในรายการนี้ละค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพุทวัสวัสดีค่ะ